เราก็ได้สวดพิจารณาสั ง, านนางขารนะสังขารร่างกายจิตใจของเราเองรวมทั้งร่างกายจิตใจของผู้อื่นด้วยก็เป็นบทที่ดีโดยเฉพาะในการที่เราได้สวดในบริเวณตรงฝ่าช้านี่ก็ยิ่งดีเปย์เลยทั้งให้เราได้เห็นก็มี มีเรียกว่าธาตุนะที่เก็บอัฐิเก็บกระดูของคนที่เขาเผาแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็เผาแล้ ว, วเก็บไว้ตรงนี้ใกล้ๆเราหรือบางที่อาจจะใกล้ๆที่ที่เรานอนหรืออาจจะตรงที่เรานอนก็อาจจะเคยเป็นที่ฝังศพของคนที่ก็มีชีวิตมีลมหายใจมาก่อนอืมแล้วก็ได้เห็นว่าเออที่จริง ศพที่เขาเสียชีวิตไปนะแต่ก่อนเขาก็เป็นคนที่นะมีชีวิตเหมือนกับเราเนี่แหละแต่ก่อนเขาก็เคยนะเป็นที่รักเป็นที่พนะอใจหรือเป็นที่ไม่รักที่ไม่พอใจของคนอื่ น, หน ea, เหมือนกับเราเนี่แหละแต่ก่อนเขาก็เคยเป็นคนที่มีความสุขหรือบางคราวเขาก็มีความทุกข์ ก็เหมือนกับเรานี่แหละแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายไปแต่สุดท้ายพวกเราทุกคนก็ต้องจากกันไปไม่มีใครที่จะอยู่กับไ ม, ไม่มีใครที่จะไม่ตายไม่มีใครที่จะไม่พัดพ่าจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจไม่มีใครที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ อันนี้เป็นสัจธรรมนะเป็นความจริงของของชีวิตนะเราก็คงมีเพื่อนมีคนรู้จักที่ค่อยๆทยอยพัดพากจากกันไปนะในเร็วนี้ก็มีหลายคนที่เพิ่งจากไปนะนะซึ่งก็เป็นเป็นสัจธรรมของของชีวิตเนาะบางคราวคนที่เรารู้จักแล้วพัดพากจากเราไปเราจะรู้สึกสะเทือนใจ หรือเราจะรู้สึกเข้าใกล้ถึงความตายได้ดีกว่าคนที่เราไม่รู้จัก เ, ออเช่นยงเงาะเนี่ยจากไปในมิประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นเลยว่าเออมันมันเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าเป็นคนที่ก็เห็นอยู่ระดัดไม่ได้ป่วยหนักอะไรมากแต่ก็ความตายก็พัดพัดพาจักไป ก็มันก็ทำให้เราได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตว่าเออมันการสูญเสียชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่แน่นะแม้ร่างกายจะเดินเหินได้เป็นปกตินะแม้จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้เป็นปกติอยู่แต่บางคราวมันก็อาจจะเสียชีวิตไปได้นะอย่างเคยได้ข่าวอย่า ง, งเต้ก็คงได้ประสบอยู่แล้วเช่นที่เขาเดินสันติ ปัตตานะีเดินไปที่จังหวัดปัตตนีจากสาระบุก็มีเพื่อนร่วมคณะที่เสียชีวิตในระหว่างทางคนหนึ่งเหมือนกันนะก็ถ้าใครได้อยู่ร่วมคณะนั้นก็คงจะได้กันหนักถึงถึงชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเออก็ยังเคยเดินร่วมกันอยู่ดีดนะแต่พอถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องเสียชีวิตไป ก็กเราก็เช่นเดียวกันนะบางทีเราก็ต้องกันหนักเหมือนกันเพราะเราเป็นพระเก้ารูปนะไม่ขีสี่ตอนนี้ก็โยมสองนะเราก็อยู่เป็นคณะ <c oughs> ที่พอประมาณนะแต่ก็ต้องกลับมาพิจารณาตนอยู่เสมอว่าเออไม่แน่นะสมมุติถ้าวันนี้เราต้องจากไปเราพร้อมแล้วหรื อ, อยังนะบางทีเราจะไปจะไปคิดถึงแค่ว่าเราจะต้องเดินให้ถึงวันสุดท้ายเช่น นะหลังจากปีใหม่ไปแล้วก็จะจบทิปการเดินทางการทุดงครั้งนี้นะนะอันนั้นก็อาจจะเป็นแค่จิดหมายโดยค่อยๆโดยโดยเวลาหรือสถ า, านที่หรือถ้าในชีวิตเราอาจจะมีจิดหมายเรื่องการงานบางอย่างนะที่าจะตั้งใจจะทาให้สาเร็จนะอันนั้นก็เป็นจิดหมายซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งมันยังไม่ถึง เส่นการเดินทางตู่ ด, ดงครั้งนี้มันก็ยังไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายนะหรือยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางนะแต่ก็ไม่แน่ว่าชีวิตเราจะสามารถเดินไปถึงนะเส้นทางตรงนั้นได้หรือเปล่านะเราจะเหลือชีวิตอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่เราก็ไม่รู้อยากให้พวกเราได้ตระหนักถึงถึงนะความไม่เที่ยงนะของชีวิตนะ แต่ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงแน่นอนแต่เราตื่นแต่เราไม่รู้เรา ก, ก็ว่าวันไหนจะเป็นวันนั้นของเราเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาสังขารหรือว่าร่างกายของเราอยู่บ่อยๆนะเราก็จะระหนักถึงถึงการใช้ชีวิตการพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเนี่ยทำให้เราได้ตตะหนักถึงคุณค่าของชีวิตนในวันแต่ละวันที่ผ่านมา หรือว่าวันนี้ที่เราได้มีชีวิตตื่นขึ้นมาแล้วนี่เราก็ใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าที่สุดนะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อเพื่อที่จะเสพสุขหรือว่าเพื่อที่เพลินอยู่กับโลกใบนี้นะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างถนักให้รู้ว่านะชีวิตเราควรที่จะเดินทางไปสู่จุดไหนนะการเดินทางภายนอกนะี่ก็เป็น ระยะทางหรือว่าเป็นเป้าหมายในการเดินทางแต่ละวันแต่ที่จริงจุดที่สำคัญนี่ก็คือการเดินทางภายในใจของเราก็ถือว่าตอนนี้เราเดินทางเพื่อที่จะฝึกฝนตนนะฝึกฝนตนในที่นี้ก็คือฝึกฝนจิตใจของเราเนี่ยเป็นหลักนะฝึกฝนร่างกายให้อดทนเข้มแข็งให้เรียกว่าดูแลร่างกายให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่เราทำอยู่ แต่สิ่งที่เราต้องตระหนักมากขึ้นหรือว่าตระหนักให้มากคือการฝึกฝนจิตใจของเราเนี่ยแหละนะจิตใจของเราได้เรียนรู้นะจับความไม่เที่ยงของร่างกายเราไหมนะจิตใจของจิตใจได้เรียนรู้จับความทุกข์นะสภาวะทุกข์คืออาการที่เกิดดับในจิตใจหรือหรือไม่นะจิตใจได้เห็นสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลง บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราหรือไม่เราก็พยายามดูตรงเนี้ยบ่อยๆดูตรงนี้บ่อยๆเราก็จะเรียกว่าเกิดความจางคายในการยึดมั่นถือมั่นในสังคานก็คือร่างกายก็จิตใจตรงนี้ยอยู่เสมออันนี้คือการเดินทางภายในซึ่งซึ่งเราควรที่จะมัน่นดูกายดูใจของเรา ในสภาวะตรงนี้ให้มากๆนะดูลงไปให้เห็นความไม่เที่ยงของชีวิตนะให้ความไม่เที่ยงของกายนะเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเดี๋ยวมันก็หายเหนื่อยนะเราเดินตอนขึ้นเขาเราก็รู้สึกเหนื่อยแต่พอพักสักระยะหนึ่งมันก็หายเหนื่อย่นะเดี๋ยวมันก็หายใจนะแรงๆสักพักเดี๋ยวมันก็หายใจธรรมดาของมันได้่นะ ตายเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็หายเจ็บนะเดี๋ยวมันก็หิวกินเข้าไปก็หายหิวผ่านสภาวะพวเนี้ยดูกายตามความเป็นจริงนะแต่กายนี่ก็ดูเฉยเฉยก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยเขานิดนึงนะทาให้เขาได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างนะดูแลร่างกายบ้างแต่จิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้อง ดูอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอนะพยายามรู้ทันอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอรู้ทันว่าอารมณ์ของเราตอนในตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะมันมีความสุขหรือไม่มีความทุกข์หรือไม่หรือมีอาการเฉยเฉยหรือไม่คือนะก็ดูมไปดูมไปเป็นผู้ดูอารมณ์ถ้าภาษาพระก็เรียกว่าดูเวทนาที่เกิดขึ้นสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้าง หรืออทุกข์คำสุขะเวชนาบ้างก็ดูนะให้รู้ทันอารมณ์ของของเราเองหรือถ้ามีความคิดมีอาการฝองจิตเกิดขึ้ น, นะจะเป็นความโลภ ค, ความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจความหมงุดหงิดความไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะก็ก็คอยสังเกตดูมันมีไหมนะมีแล้วเราเข้าไปเป็นกับมันไหม คือมีแล้วเราก็เห็นมันเฉยๆเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็ป่อยได้หรือเราเข้าไปยึดนว่าอารมณ์นี้แหละเราจะยึดไว้นอารมณ์รักก็ยึดไว้อารมณไม์ไม่พอใจก็ยึดไว้อารมณ์หงุดหงิดยึดไว้ไหมหรืออารมณ์สงบยึดไว้ไหมจริงแล้วก็ต้องดูนะไ ม, ไม่ใช่แต่ว่าอารมณ์บวกเราจะขอยึดอารมณ์ ที่มันไม่ดีที่มันไม่พอใจเราก็จะอยากจะผักใสมันที่จริงการไปยึดทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่พึงทำไนะม่พึงทำนะเหมือนกับบางทีอย่างที่หลวงพ่อชาเคยเคยกล่าวไว้อาจจะไม่ตรงขนาดนะท่านบอกว่าบางทีอย่างถ้าอย่างไม้ลำปอนะไม้ลาปอถ้า จุดไฟไว้ล้วถ้าเราไปจับนะเราไปจับด้านที่มันใกล้ไฟมันก็ร้อนเร็วก็คือด้านที่มันเป็นด้านลกหรือว่าด้านที่มันเป็นด้านที่ทุกเนาะถ้าเราไปยึดไว้มันก็ทุกทันทีเลยนะแต่อารมณ์สุขนะอารมณสุขเหมือนกับเราจับที่ปลายของไม้นะไฟมันอยู่ไกลนู่นแต่เราจับที่ปลายไม้แต่ถ้าเราอ่านะ ถ้ า, ายังจับยังยึดอารมณ์บวกอารมณ์สุขอยู่เสมอนะเดี๋ยวสักระยะหนึ่งไฟมันก็ไห ม, ไม้ไม้เข้ามาใกล้ๆเราเรื่อยๆถ้าเรายังไม่รู้จักนะเลิกยึดมันนะมันก็จะไหม้ทําให้เราทุกข์นะอันนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราเองจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามให้เรารู้ทันแล้วก็แล้วก็อย่าไปยึดนะ อย่าไปถือมันไว้ว่าเป็นของเรานะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราให้เห็นว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจให้เห็นอาการที่เกิดขึ้นความคิดอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะยาก็เกิดขึ้นมาก็ก็ดูมันไปเรื่นๆไปดูไปเล่นยๆนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราหรอกมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะมันไม่ใช่ของเรานะเป็มันเกิดขึ้นกับจิตใจนี้นะ จิตใจที่เรายังเห็นว่ายังเป็นของเราอยู่เนี่ยแหละเราก็ยังค่อยต้องค่อยๆดูไปจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานั่นแหละนะตอนนั้นแหละมันก็เป็นขั้นที่เรียกว่าถึงที่สุดนะของความทุกขนะ์แม้ตอนนี้จิตใจยังมีอวิชชานะเป็นเป็นรากเหง้านะของความหลงอยูนะ่แต่การที่เราคอยฝึกสติให้รู้เท่าทัน อาการของกายของใจนี่แหละจะทําให้เราเรียกว่านะไม่เป็นทาสของอวิชชานะแม้อวิชชาจะมีแม้ความทุกข์จะมีแต่ถ้าเมื่อใดที่เรามีสตินะเมื่อนั้นเราก็ไม่สามารถโดนอวิชชาครอบงําได้อนะหรือว่าความโกรธความโลภ ค, ความหลงก็ไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราได้อันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราเราฝึกหัดเนาะในการเดินทางเดินทาง จะเป็นการเดินธุ ด, ดงก็ดีหรือถ้าจบทิปธุ ด, ดงเราเอาจจะใช้ชีวิตปกติก็ดีเราก็ต้องเดินทางเช่นนี้อยู่เสมอต้องคอยหมั่นพิจารณาร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอยู่เสมอกนะารพิจารณาสัางขารร่างกายจิตใจเนี่ย ม, มันทำให้เราได้เกิดการปล่อยวางเกิดการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะ ในช่วงที่เราได้เดินทุกตรงตรงนี้มันอาจจะทําให้เราได้เห็นเห็นอารมณ์ของตัวเองชัดขึ้นนะเห็นอารมณ์เพราะว่าร่างกายที่มันทุกข์ที่มันเหนื่อยที่มันร้า่นะบางทีก็ทําให้จิตใจมาส่งผลเช่นไรนะจิตใจมีความหงุดหงิดไหมจิตใจนะมีความฟุ้งซ่านหรือเปล่าเนะี่ยมันก็ทําให้เราเห็นเห็นไดง่ายนะ หรือบางทีเราอยู่เป็นหมู่คณะนะ่นะอยู่กันหลายคนอยู่กันนานๆนะมีความขัดเคืองในใจซึ่งกัรและกันหรือไม่นะเราก็รู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ของเรานะล้วก็พยายามเรียกว่ารู้ทันแล้วก็วางมันไปนะเพราะว่าอะไรถ้าสมมติถ้าเราตายกันวันนี้ล่ะเราจะเสียใจไหมถ้าเรายัง ไม่ให้อภัยเพื่อนนะเราจะเสียใจไหมถ้าเรายังทําไม่ดีกับเพื่อนอยู่นะในเพื่อนร่วมทางก็ดีหรือว่าเพื่อนรอบทางก็ดีมันไม่แน่นะชีวิตนีนะ้เราก็ไม่รู้หรอกเราจะอยู่ได้ถึงวันพุ่งนี้หรือไมนะ่เรายังจะเก็บความเสียใจหรือความขัดเคืองใจกันไว้หรือไมนะ่นี่เราก็ต้องดูตัวเองดีๆพิจารณาตัวเองดีด หรือบางทีเราอาจะอยู่แต่ถ้าเพื่อนเราไปละ่ะถ้าเพื่อนเราไปในวันนี้เนะี่ยเราจะเสียใจไหมถ้าเรายัางติดค้างคาใจอะไรกับเพื่อนร่วมทางของเราอยู่อันนี้เราก็พิจารณาอยู่เสมอนะนะแต่ถ้าใครไม่ได้ติดค้างคาใจอะไรกันก็ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรก็ก็ดีละนะเพราะว่าทุกคนก็เกิดมานอกก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้นะหรือว่าเป็นเพื่อนที่เราอาจจะเจอในอนาคตต่อไปก็ดนะีทุกคนก็มีจุดหมายเดียวกันนะมีจุดหมายที่จะนะต้องการให้ชีวิตนี้ที่จะไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงหรือต้องการที่จะทำให้ชีวิตนี้มีความสุขแล้วก็ เป็นความสุขที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงนะคงไม่ใช่ความสุขทางโลกเพราะหลายคนเพราะพวกเราก็ได้บวชกันมาหรือหลายคนแม้ไม่ได้บวชอยู่ในตอนนี้แต่ก็ยังใช้ชีวิตในทางที่เรียกว่าทวนกระแสกิเลสอยู่เนะี่ยก็แสดงว่าเป้าหมายของชีวิตเราก็ต้องการที่จะไม่ไม่อยากจะเป็นทาสของกิเลสอนะไม่อยากจะจมอยู่กับความทุกข์อนะ่ แล้วก็อยากจะมีความสุขที่แท้จริงสแสวงหาซึ่งคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตว่ามันคืออะไรอันนี้คือคือเป้าหมายที่ที่พวกเรามีร่วมกันนั้นการเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะเดินทางออกจากความทุกข์เนี่ยมันก็มากกว่าแค่การได้ได้เดินด้วยกันมากกว่าการแค่ได้พักด้วยกันนะแต่เราจะดูแลใจของเพื่อนของเราด้วยนะดูแลใจเพื่อนร่วมทางของเราด้วยว่า มีความรู้สึกอย่างไรนะแล้วก็ดูแลใจของเราด้วยสิ่งใดที่เราไปกระทบไปทิมแทงคนอื่นหรือไม่เราก็ต้องดูนะแต่บางทีถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เจตนาไม่ได้เป็นป็นความเข้าใจผิดอันนั้นเราก็ต้องออกลับมาดูตัวเราเองเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจเนะาะถ้าใครจะคิดผิดไปก็ขอให้ได้ ในไฟวางไปเนาะบางทีในแต่ละวันมันเป็นเช่นไรเราก็ดูอารมณ์ของเราไปนะดยชีวิตโดยจิตใจของเราไปเรื่อยอันนี้คือคือการปฏิบัติธรรมเนาะะทุกคนมีจุดหมายร่วมกันนะจุดหมายที่จะอยากให้ชีวิตนี้ไม่ทุกข์จุดหมายที่จะอยากให้ชีวิตนี้มีความสุขจริงๆรินะแต่เราอย่าไปคํานึงถึงแค่จุดหมายเจอทั้งเืม ลืมลืมที่จะเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันด้วยนะนะคือเราจะไปคิดถึงแค่เป้าหมายว่าเมื่อไรเราถึงจะถึงพานิพานเมื่อไรเราจะสิ้นทุกโดยสิ้นเชิงเมื่อไรเราจะปล่อยวางเมื่อไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นอาจเป็นจุดหมายที่เราตั้งใจว่าจะเดินทางไปให้ถึงแต่แต่แต่จะ่าลืมดูกายดูใจในปัจจุบันนะ แล้วก็จะปล่อยวางที่ปัจจุบันเนี่ยนะไม่ใช่ที่จะไปรอปล่อยวางในวันสุดท้ายของชีวิตจะรอปล่อยวางตอนที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานเท่านั้นนะเราต้องรู้จักปล่อยวางอารมณ์ในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องมันทาคือตรง น, นี้ทําที่ปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบัน เดี่ยวกับการรู้ทันอารมณ์ตัวเองในปัจจุบันนี่แหละคือคือการงานที่เราต้องทําแม้เราจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ก็อย่าไปยึดมั่นเป้าหมายนั้นอย่าไปแบกอย่าไปแบกมันไว้ว่าเมื่อไหรม่มนจะถึงเมื่อไหรม่มนจะสําเร็จเมื่อไหร่เราจ ะ, ะทํางานนี้เสร็จสักทนะีจะเป็นงานภายนอกก็ดีงานภายในก็ดีนะ เราจะไปยึดที่เป้าหมายแต่เรามองเป้าหมายไว้นะเป็นเป็นทิศทางที่กําหนดเส้นการเดินของชีวิตเราเราก็แค่เดินไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเดินที ด, ดงนั่นแหละเนาะเราก็เดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวไปนะวันหนึ่งยี่สิบกว่ากิโลมันก็มันก็อยู่ที่การเดินทีละก้าวของเรานี่แหละนะ่ะที่เราเดินอย่างมั่นคงที่เรา าสามารถข้ามความเหนื่อยความรา้าความร้อนในแต่ละขณะได้ก็เกิดจากการที่เราเดินทีละก้าสเทลก้าสเนี่ยแหล ะ, ะเราก็มาเราก็เดินมาสิบกว่าวันแล้วเนาะก็ได้ระยะทางไกลละะมันก็เริ่มจากการเดินทางทีละก้าสเทลก้าสของเราเนี่ยแหละนะเราไม่รู้หรอกนะออีกสมมุติอีกสิบวันข้างหน้าที่เราประเมินคร่าวๆว่าเราจะ เป็นว่าสุดท้ายของการเดินทางแต่จะเดินได้ถึงบ้านไหนถึงอำเภอไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเดินทีละก้าวทีละก้าวไปได้มันก็จะไกลขึ้นนะมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่อย่าดื่มทำวันนี้เนะให้มันเต็มที่ให้มันดีที่สุดนะในการเดินทางภายนอกก็นะก็ตั้งใจเดินในวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าพึ่งไปคิดถึงวันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆนะ แล้วก็ทำจิตใจของเราด้วยนะในวันนี้เราได้เรียนรู้จิตใจของเราไหมในแต่ละวันนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะทั้งก่อนลับไปนะหรือว่าดูสารวจดูจิตใจของเราด้วยเรามีอะไรที่มันข้างคาใจในใจของเราไหมมีอะไรที่ข้างคาใจเพื่อนร่วมทางของเราไหมนะแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์พนี้ออกไปจากจิตใจเนาะนะมันไม่แน่นะ เราจะตายวันนี้หรือไม่ก็ไม่รู้เพื่อนเราจะตายวันนี้หรือไม่ก็ไม่รู้นะอย่าให้เป็นการต้องค้างคาใจอะไรกันนะแล้วก็ให้เป็นการทํางานให้เสร็จในแต่ละวันแล้วก็วางในแต่ละวันเสร็จในแต่ละเวลาแล้วก็วางในแต่ละเวลาด้วยอันนี้คือเราจะได้อืเข้าใกล้สิ่งที่เราเดินทางที่จริงการทุ้นง ที่เราได้พักในป่าช้าในสุสานต่างๆเนี่ยมันทำให้เราได้พิจารณาเรื่องนี้ได้ง่ายนะได้ง่ายนะถ้าเราไม่ถ้าเราดูดีๆนะดูดีๆเห็นถุมฝังศพเห็นเมรุเ ผ, ผาศพเห็นอัฐิที่เขาตั้งไว้เนี่ยแล้วก็น้อมาพิจารณาทุกคืนทุกคืนนะไม่ใช่พิจารณาบางทีอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นนะ บางทีอาจจะมีความหดหู่เกิดขึ้นบางทีอาจจะมีความหลงลืมไปเลยว่าเออนี่เราอยู่ป่าชาติหรอเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนมากตร น, นี้ก็บางทีเราก็กลับมาดูดีๆนะมาพิจารณาร่างกาย ด, ดีเห็นกองกระดูเห็นเมนเุเผาศพเห็นอัฐิก็น้อมกลับมาดูชีวิตของเราอ๋อเนอะวันหนึ่งเราก็ต้องมาสู่ที่นี้เหมือนกันนะวันหนึ่งเราก็ต้องตายวันหนึ่งเราก็ต้องโดนเผา วันหนึ่งเราก็ต้องมาอยู่ในอัฐิที่ในที่หนึ่งเหมือนกัน เ, เห็นคนที่เขาจากไปก่อนเขาก็กลับมาดูตัวเองแล้วก็จะได้ทำชีวิตตัวเองให้เรียกว่ า, ามีคุณค่าที่สุดเขาที่ทำได้เนาะ ก, ก็ฝากไว้นในเช้าวนี้